272ทีคาวุวัตถุว่าด้วยทีคาวุกุมาร458ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงพาราณสีได้มีพระเจ้ากาสีพระนามว่าพรมทัต ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากมีกำลังพลมากมีพาหนะมากมีอาณาจักรกว้างใหญ่มีพันดาคารห้องเก็บของมีค่าและคลังพืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์พระเจ้าโกศนทรงพระนามว่าทีคีติทรงเป็นกษัตริย์ผู้ขัดสนมีทรัพย์น้อย มีโภคสมบัติน้อยมีกำลังคนน้อยมีพาหนะน้อยมีอาณาจักรไม่กว้างใหญ่มีพันดาคารห้องเก็บของมีค่าและคลังพืชพันธัญญาหารไม่อุดมสมบูรณ์ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาศีราชเสด็จคุมกองทหาร ประกอบด้วยองค์สี่ไปโจมตีพระเจ้าทีคีติโกสนราชภิกษุทั้งหลายพระเจ้าทีคีติโกสลราชทรงสดับว่าพระเจ้าพรหมทัตกาศีราชเสด็จคุมกองทหารประกอบด้วยองค์สีมาโจมตีเราจึงทรงดำริดังนี้ว่าพระเจ้าพรหมทัตกาศีราช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 มีกำลังผลน้อยมีพาหนะน้อยมีอาณาจักรไม่กว้างใหญ่มีพันดาคารห้องเก็บของมีค่าและคลังพืชพันธัญญาหารไม่อุดมสมบูรณ์เราไม่สามารถจะทำสงครามแม้ครั้งเดียวกับพระเจ้าพรหมทัตกาศีราษได้เลยอยาากระนั้นเลยเราควรรีบหนีไปจากเมืองเสียก่อน ภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นพระเจ้าทีคีติโกสนราชจึงทรงพาพระมเหสีเสด็จหนีไปจากเมืองเสียก่อนฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตกาศีราชทรงยึดกำลังพลพาหนะชนบทคลังอาวุธยุทธโธปกรณและคลังพืชพันธัญอาหารของพระเจ้าทีคีติโกสนราชไว้ได้ แล้วเสด็จเข้าครอบครองแทนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพระเจ้าทีคีติโกสนราชพร้อมด้วยพระมเหสีได้เสด็จหนีไปทางกรุงพาราสีเสด็จจาริกไปตามลำดับลุถึงกรุงพาราสีแล้วทราบว่าเท้าเธอพร้อมกับพระมเหสีทรงปลอมแปลงพระองค์มิให้คนรู้จัก ทรงนุ่งห่มเยี่ยงปริภาชกประทับอยู่ในบ้านช่างหม้อซึ่งตั้งอยู่ชายแดนแห่งหนึ่งในกรุงพาราณสีภิกษุทั้งหลายต่อมาไม่นานนักพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติโกสนราชทรงมีพระขันพระนางเกิดอาการแพ้ท้องเช่นนี้คือในยามรุ่งอรุณพระนาง ปรารถนาจะทอดพระเนตรกองทหารประกอบด้วยองค์สี่ผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและจะทรงเสวยน้ำล้างพระแสงขันภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติโกสนราชจึงได้กราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะมอมฉันมีขันมอมฉันนั้น เกิดอาการแพ้ท้องเช่นนี้คือยามรุ่งอรุณปราถนาจะทอดพระเนตรกองทหารประกอบด้วยองค์สี่ผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและจะทรงเสวยน้ำล้างพระแสงขันพระเจ้าทีคีติตรัตว่าแม่เทวีเรากำลังตกยากจะได้กองทหารประกอบด้วยองค์สี่ผู้สวมเกราะ ยืนอยู่ในสมอระพุมและน้ำล้างพระแสงขันจากที่ไหนเล่าพระราชเทวีกราบทูลว่าขอเดชะถ้าหม่อมฉันไม่ได้คงตายแน่459ภิกษุทั้งหลายก็สมัยนั้นพรามปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาศีราช เป็นพระสหายของพระเจ้าทีคีติโกสนราชลำดับนั้นพระเจ้าทีคีติโกสนราชเสด็จเข้าไปหาพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชณที่พักแล้วตรัสกับพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาเีราชดังนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยสหายหญิงของท่านมีคันนางเกิดอาการแพ้ท้องเช่นนี้ คือเมื่อยามรุ่งอรุณเธอปราถนาจะชมกองทหารประกอบด้วยองค์สี่ผู้สวมเกราะยืนในสมรภูมิและจะดื่มน้ำล้างพระแสงขันปุโรหิตกราบทูลว่าขอเดชะถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอเฝ้าพระเทวีก่อนลำดับนั้น พระมเหสีของพระเจ้าทีคีติโกสนราชได้เสด็จไปหาพรามปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาศีราชณที่พักภิกษุทั้งหลายพรามปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชได้แลเห็นพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติโกสลกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงลุกจากอาสนะห่ผมผ้าเฉวงบ่าข้างหนึ่ง ประนมมือไปทางพระมเหสีแล้วอุทานขึ้นสามครั้งว่าท่านผู้เจริญพระเจ้าโกศนประทับอยู่ในพระอุทธรแน่แล้วท่านผู้เจริญพระเจ้าโกศลประทับอยู่ในพระอุทธรแน่แล้วพระเทวีอย่าได้ท้อพระไทยเลยเมื่อยามรุ่งอรุณจะได้ทอดพระเนตรกองทหารประกอบด้วยองค์สี่ ผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและจะได้เสวยน้าล้างพระแสงขันภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพรามปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาศีราชเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตกาศีราชณนะที่ประทับแล้วกราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะนิมิต ท, ทั้งหลายปรากฏอย่างนั้นคือ พรุ่งนี้ยามรุ่งอรุณกองทหารประกอบได้องคสีจะสวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและเจ้าพนักงานจะเอาน้ำล้างพระแสงขันลำดับนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาศีราชจึงรับสั่งกับเจ้าพนักงานว่าพระนายพวกเจ้าจงทำตามที่พรามปุโรหิตสั่งการเถิด ภิกษุทั้งหลายพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติโกสนราชจึงได้ทอดพระเนตรกองทหารประกอบด้วยองค์สี่ผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและได้เสวยน้ำล้างพระแสงขันในเวลารุ่งอรุณสมความปรารถนาต่อมาเมื่อพระคันแก่ครบกำหนดจึงประสูตริพระโอรส พระประยุรญาตได้ขนานพระนามให้ว่าทีขาวุต่อมาไม่นานนักพระกุมารได้ทรงเจริญวัยรู้เดียงสาภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพระเจ้าทีคีติโกสนราชทรงมีพระดำริดังนี้ว่าพระเจ้าพรหมทัตกาศีราชนี้ ได้ก่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ให้แก่เรามากมายได้ช่วงชิงเงากองทหารภาหนะช น, นบทคลังอาวุธยุธโทโธปกรณ์ตลอดถึงคลังพืชพันธัญยาหารของพวกเราไปถ้าเท้าเธอจะทรงสืบทราบถึงพวกเราจะรับสั่งให้ประหารชีวิตหมดทั้งสามคนแน่อย่ากระนั้นเลย เราควรให้พ่อทีคาวุกุมารหลบอยู่นอกเมืองแล้วได้ให้ทีคาวุกุมารหลบอยู่นอกเมืองทีขาวุกุมารอาศัยอยู่นอกเมืองไม่นานก็ได้ศึกษาศิลปะวิทยาจบทุกสาขา460ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นช่างกระบก ของพระเจ้าทีคีติโกสนราชได้สวามิภักดิ์อยู่ในสำนักของพระเจ้าพรหมทัตกาศีราชเขาได้เห็นพระเจ้าทีคีติโกสนราชพร้อมกับพระเมเหสีทรงปลอมแปลงพระองค์มิให้ใครรู้จักทรงนุ่งห่มเยี่ยงปริภาชกประทับอยู่ในบ้านช่างหม้อซึ่งตั้งอยู่ชายแดนแห่งหนึ่งในกรุงพาราณสี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 ลำดับนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาศีราชจึงรับสั่งเจ้าพนักงานว่าพันนายถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงไปจับพระเจ้าทีคีติโกสนราชพร้อมด้วยพระมเหสีมาพวกเจ้าพนักงานกราบทูลรับสนองพระดำรัสแล้วไปจับพระเจ้าทีคีติโกสนราชพร้อมพระมเหสีมาถวาย พระเจ้าพรหมทัตกาสีราชรับสั่งเจ้าพนักงานว่าพวกเจ้าจงเอาเชือกที่เหนียวแน่นมัดพระเจ้าทีคีติโกสนราชพร้อมกับมเหสีมัดพระพาหาไพ่หลังให้แน่นกลอนพระเกษาแล้วพาตะเวนไปตามถนนตามตรอกทุกแห่งพร้อมกับตีกลองให้ดังสนั่น พาออกไปทางประตูด้านทิศทักษิณแล้วบั่นร่างออกเป็นสี่ท่อนวางเรียงไว้ในหลุมทั้งสี่ทิศทางด้านทิศทักษิณแห่งเมืองภิกษุทั้งหลายพวกเจ้าพนักงานทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วได้เอาเชือกที่เหนียวแน่นมัดพระเจ้าทีคีติพร้อมกับพระเหฮสีมัดพระพาหาไล่หลังให้แน่น กลอนพระเกศาแล้วพาระเวนไปตามถนนตามปลอกทุกแห่งพร้อมกับตีกลองให้ดังสนัน่นเวลานั้นทีคาวุราชกุมารทรงดำริ ด, ดังนี้ว่านานแล้วที่เราได้เยี่ยมพระชนกชนนีอยากระนั้นเลยเราควรไปเยี่ยมท่านทั้งสองจึงเดินทางเข้ากรุงพาราณสี ได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าพนักงานเอาเชือกอยางเหนียวมัดพระชนกชนนีมัดพระพาหาไพล่หลังให้แน่นกลอนพระเกษาแล้วพาตะเวนไปตามถนนตามตรอกทุกแห่งพร้อมกับตีกลองให้ดังสนัน่นจึงเสด็จเข้าไปใกล้พระชนกชนนีภิกษุทั้งหลายพระเจ้าทีคีติโกสนราช ทอดพระเนตรเห็นทีคาวุกุมารดำเนินมาแต่ไกลจึงได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าพ่อทีคาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเมื่อพระเจ้าทีคีติโกสนราชตรัสอย่างนี้ พวกเจ้าพนักงานได้กราบทูลดังนี้ว่าพระเจ้าทีคีติโกศลราชพระองค์นี้ทรงวิกลจริตจึงบ่นเพอ้อใครคือทีคาวุของพระเจ้าทีคีติโกศลราชนี้พระองค์ตรัสกับใครอย่างนี้ว่าพ่อทีคาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวณย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวณ แต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรพระเจ้าทีคีติโกสนราชจึงตรัสตอบว่าเราไม่ได้วิกลจริตบ่นเพอผู้ใดรู้แจ้งผู้นั้นจะเข้าใจภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สองและแม้ครั้งที่สามพระเจ้าทีคีติโกสนราชได้ตรัส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 ทรงวิกลจริตจึงบ่นเพอ้อใครคือทีขาวุของพระเจ้าทีคีติโกสนราชนี้พระองค์ตรัสกับใครอย่างนี้ว่าพ่อทีขาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรพระเจ้าทีคีติโกสนราช ก็ยังคงกรัดว่าเราไม่ได้วิกลจริตบ่นเพอ้อผู้ใดรู้แจ้งผู้นั้นจะเข้าใจภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นพวกเจ้าพนักงานได้นำพระเจ้าทีคีติโกสนราชพร้อมกับพระมเหสีระเวนไปตามถนนตามกรอกทุกแห่งแล้วให้ออกไปทางประตูด้านทิศทักษิณแล้วบั่นพระกายเป็นสี่ท่อน แล้ววางเรียงไว้ในหลุมทั้งสี่ทิศทางด้านทิศทักษิณแห่งเมืองวางยามคอยระวังเหตุการณ์ไว้แล้วพากันกลับต่อมาทีคาวุกุมานรอบเสด็จเข้าไปยังกรุงพาราสีนำสุรามาเลี้ยงพวกอยู่ยามเมื่อพวกยามเมาฟุบลงจึงจัดหาฝืนมาวางเรียงกัน แล้วหาไม้มาสร้างจิตกาทานยกพระบรมศพของพระชนกชนนีขึ้นสู่จิตกาทานถวายพระเพลิงแล้วประนมพระหัตทำประทักษิณจิตกาทานสามรอบ461ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชประทับอยู่ชั้นบนปราสาท ทอดพระเนตรเห็นทีคาวุกุมารกําลังประนมพระหัตทําประทักษิณจิตกาทานสามรอบจงทรงดําริดังนี้ว่าพนักงานผู้นั้นคงเป็นญาติหรือคนร่วมสายโลหิตของพระเจ้าทีคีติโกสนราชแน่น่ากลัวจะก่อความพินาศแก่เราช่างไม่มีใครบอกเราเลยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้น ทีคาวุกุมารเสด็จหลบเข้าป่าทรงกันแสงด้วยความโศกเศร้าพระไทยทรงซั์น้ำพระเนตรแล้วสเสด็จเข้ากรุงพาราณสีถึงโรงช้างใกล้พระบรมหาราชวังรัดแก่นายหัตถาอาจารย์ดังนี้ว่าท่านอาจารย์ผมอยากเรียนศิลปะวิทยานายหัตถาอาจารย์ตอบว่า ถ้าอย่างนั้นเชิญพ่อหนุ่มมาเรียนเถิดเช้ามืดวันหนึ่งทีคาวุกุมารทรงตื่นบรรทมทรงขับร้องดีดผินคลอเสียง เ, ยเจ้ยแจ้วอยู่ที่โรงช้างพระเจ้าพรหมทัตกาศีราชทรงตื่นบรรทมเวลานั้นพอดีได้ทรงสดับเสียงเพลงและเสียงผินที่ดังแว่วมาทางโรงช้าง จึงตรัสถามพวกเจ้าพนักงานว่าใครกันตื่นแต่เช้าขับร้องดีดผินแววมาทางโรงช้างพวกเจ้าพนักงานกราบทูลว่าขอเดชะชายหนุ่มสิทธิของนายหัตถาจาร์คนน้นตื่นแต่เช้าขับร้องดีดผินคลอเสียงเจื้อยแจ้วอยู่ที่โรงช้างพระเจ้าพรหมทัต ก, กาศีราชตรัสว่า ถ้ากระนั้นพวกเจ้าจงพาชายหนุ่มมาเฝ้าพวกเจ้าพนักงานทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วพาทีคาวุกุมารมาเฝ้าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าพระทัทกาศีราชตรัสถามทีคาวุกุมารดังนี้ว่าพ่อหนุ่มเธอตื่นแต่เช้าขับร้องดีดพินคลอเสียง เ, ยเจื้ยแจ้วอยู่ที่โรงช้างหรือ ทีคาวุกุมารกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าเท้าเธอตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงขับร้องดีดพินไปเถิดทีคาวุกุมารกราบทูลรับสนองพระราชดำ m รัสแล้วปรารถนาจะให้ทรงโปรดจึงขับร้องและดีดพินด้วยเสียงอันไพเราะภิกษุทั้งหลายครั้งนั้น พระเจ้าพรหมทัต ก, กาศีราชได้ตรัสกับทีคาวุกุมารดังนี้ว่าพ่อหนุ่มเธอจงอยู่รับใช้เราเถิดทีคาวุกุมารทูลรับสนองพระราชดำ m รัสแล้วจึงได้ประพฤติทำนองตื่นก่อนนอนทีหลังคอยเฝ้าปรนิบัติทำให้ถูกพระอัยาศัยใสพูดไพราะภิะภษุททั้งหลายไม่นานนัก พระเจ้าพรหมทัตกาศีราชทรงแต่งตั้งทีคาวุกุมารไว้ในตำแหน่งมหาดเล็กคนสนิทภายใน462ภิกษุทั้งหลายต่อมาพระเจ้าพรหมทัตกาศีราชปรัดกับทีคาวุกุมารดังนี้ว่าพ่อหนุ่มเธอจงเทียมรถพวกเราจะไปล่าเนื้อทีคาวุกุมาร ทูลรับสนองพระราชดำ m รัสแล้วจัดเทียมรถไว้ได้กราบทูลว่าขอเดชะรถพระที่นั่งเทียบเสร็จแล้วเวลานี้ขอได้ทรงโปรดทราบเวลาอันควรเถิดลำดับนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชสเสด็จขึ้นราชรถทีขาวุกุมานขับราชรถแยกไปทางหนึ่งจากกองทหาร เมื่อเท้าเธอเสด็จไปไกลจึงตรัสกับทีคาวุกุมารว่าพ่อนมเธอจงจอดรถเราเหน็ดเหนื่อยจะนอนพักทีคาวุกุมารทูลรับสนองพระราชดำ m รัสแล้วจอดราชรถนั่งขัดสมาธิที่พื้นดินภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหล่พระเจ้าพรหมทัตกาศีราช ทรงพาดพระเศียรบรรทมอยู่บนตักของทีคาวุกุมานพระทรงเหน็ดเหนื่อยมากเพียงครู่เดียวก็บรรทมหลับสนิทขณะนั้นทีคาวุกุมานได้ทรงดำริดังนี้ว่าพระเจ้าพรหมทัตกาศีราชนี้แหลทรงก่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรามากมายทรงช่วงชิงกองทหารพาหนะ ชนบทคลังอาวุธยุธโทโภกกรและคลังพืชพันธัญญาหารของพวกเราไปได้ปลงพระชนชีพของพระชนกชนนีของเราอีกบัดนี้เป็นเวลาที่เราพบคู่เวรจึงชักพระแสงขันออกจากฝักภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นทีคาวุกุมารได้ทรงดำริ ด, ดังนี้ว่า พระชนกได้ตรัสสั่งเราไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตรว่าพ่อทีขาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรการที่เราจะละเมิดพระดํารัสสั่งของพระชนกนั้นไม่ควรเลยจึงสอดพระแสงขันกลับเข้าฝักตามเดิม ทิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สองละแม้ครั้งที่สามทีขาวุกุมานก็ทรงดำริดังนี้ว่าพระเจ้าพรหมทัตกาศีราชนี้แหลทรงก่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่พวกเรามากมายทรงช่วงชิงกองทหารพาหนะชนบทคลังอาวุธยุทธภปกร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 พ่อทีขาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวณย่อไม่ระงับด้วยการจองเวณแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวณการที่เราจะละเมิดพระดํารัสสั่งของพระชนกนั้นไม่ควรเลยจึงสอดพระแสงขันกลับเข้าฝักตามเดิมภิกษุทั้งหลายพอดีกับที่พระเจ้าพระมารทัตทรงสะดุ้งพระไถย วาดวันรีบเสด็จลุกขึ้นลำดับนั้นทีขาวุกุมารทูลถามพระเจ้าพระมทัตกาสีราชดังนี้ว่าขอเดชะเพราะอะไรพระองค์จึงทรงสะดุ้งพระไทยวาดวันรีบเสด็จลุกขึ้นเท้าเธอตรัสตอบว่าพ่อหนุ่มฉันฝันว่าทีขาวุกุมารโอรสของพระเจ้าทีคีติโกศลราช ฟันฉันด้วยพระแสงขันณที่นี้ดังนั้นฉันจึงตกใจสะดุ้งวาดวันรีบลุกขึ้นทีนั้นทีคาวุกุมารจับพระเศียรของพระเจ้าพระมทัตกาศีราชด้วยพระหัตซ้ายชักพระแสงขันด้วยพระหัตขวาแล้วกล่าวขู่ว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านี่แหละคือทีคาวุกุมาร โอรถของพระเจ้าทีคีติโกสนราชคนนั้นพระองค์ทรงก่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์แก่พวกข้าพระองค์มากมายทรงช่วงชิงกองทหารพาหนะชนนบดคลังอาวุธยุโทโธปกรณและคลังพืชพันธุ์ธัญญาหารของพวกข้าพระองค์ไปมิหนาซ้ํายังปลงพระชนชีพพระชนกชนนีของข้าพระองค์อีกเวลานี้ เป็นเวลาที่ข้าพระองค์ได้เจอคู่เวรพระเจ้าพรมทัตได้ซบพระเสียรลงแทบบาดของทีคาวุกุมานรัดอ้อนบอลว่าพ่อทีคาวุพ่อจงให้ชีวิตแก่ฉันเถิดพ่อทีคาวุพ่อจงให้ชีวิตแก่ฉันเถิดทีคาวุกุมารกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่อาจจะถวายชีวิต แด่ส ม, มุติเทพได้องค์ส ม, มุติเทพต่างหากควรพระราชทานชีวิตแก่ข้าพระองค์เท้าเธอตรัสว่าพ่อทีขาวุถ้าอย่างนั้นเธอจงให้ชีวิตฉันและฉันก็ให้ชีวิตแก่เธอดังนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาศีราชและทีขาวุกุมารจึงต่างได้ให้ชีวิตแก่กันและกันจับพระหัตถ์กัน และได้สาบานเพื่อจะไม่ทำร้ายกันและกันภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระเจ้าพรหมทัตกาศีราชได้ตรัสกับทีคาวุกุมารดังนี้ว่าพ่อทีคาวุถ้าอย่างนั้นเธอจงเทียมรถกลับกันเถิดภิกษุทั้งหลายทีคาวุกุมารทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วเทียมรถได้กราบทูลว่า ขอเดชะรถพระที่นั่งเทียมเสร็จแล้วบัดนี้พระองค์โปรดทรงทราบเวลาอันควรเถิดเท้าเธอเสด็จขึ้นราชรถแล้วทีคาวุกุมานขับราชรถไปไม่นานก็มาพบกองทหารเมื่อเสด็จเข้ากรุงพาราณสีแล้วรับสั่งให้เรียกประชุมอมารราชบริษัทแล้วตรัสถามว่า ถ้าพวกท่านพบทีคาบุกุมารโอรสของพระเจ้าทีคีติโกสนราชจะทำอะไรแก่เขาอาบาดบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพวกข้าพระองค์จะตัดมือขอเดชะพวกข้าพระองค์จะตัดเท้าขอเดชะพวกข้าพระองค์จะตัดทั้งมือและเท้าขอเดชะ พวกข้าพระองค์จะตัดหูขอเดชะพวกข้าพระองค์จะตัดจมูกขอเดชะพวกข้าพระองค์จะตัดทั้งหูและจมูกขอเดชะพวกข้าพระองค์จะตัดศีรษะพระเจ้าพรหมทัตกาศีราตรัดว่านายชายหนุ่มผู้นี้แลคือทีขาวกุมาร โอรสของพระเจ้าทีคีติโกสนราชคนนั้นใครจะทำร้ายชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้เขาให้ชีวิตแก่เราและเราก็ได้ให้ชีวิตแก่เขา463พิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพระเจ้าพรมทัตกาศีราชได้ตรัสกับทีคาวุกุมารดังนี้ว่าพ่อทีคาวุ คำสั่งที่พระชนกของเธอได้ตรัสไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่าพ่อทีคาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรพระชนกของเธอตรัสไว้หมายความว่าอย่างไรทีคาวุกุมารกราบทูลว่าขอเดชะ คำสั่งที่พระชนกของข้าพระองค์ตรัสไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่าเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวนี้หมายความว่าอย่าได้จองเวรให้ยืดเยื้อดังนั้นพระชนกของข้าพระองค์จึงตรัสไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่าเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวคำสั่งที่พระชนกของข้าพระองค์ตรัสไว้อีกว่าเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นนี้หมายความว่า เจ้าอย่าแตกร้าวจากมิรเร็วนักดังนั้นพระชนกของข้าพระองค์จึงตรัสไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่าเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นคําสั่งที่พระชนกของข้าพระองค์ตรัสไว้อีกว่าเวณย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวณแต่ย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวณ น, นี้หมายความว่า พระชนกชนนีของข้าพระองค์ถูกพระองค์ปลงพระชนชีพแล้วถ้าข้าพระองค์ปลงพระชนชีพของพระองค์บ้างคนที่มุ่งประโยชน์แก่พระองค์ก็จะพึงฆ่าข้าพระองค์คนที่มุ่งประโยชน์แก่ข้าพระองค์ก็จะพึงฆ่าคนพวกนั้นอีกเมื่อเป็นเช่นนี้เวรนั้นไม่พึงระงับด้วยการจองเวรแต่มาบัดนี้ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานชีวิตแก่ข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็ได้ทูลถวายพระชนชีพแก่พระองค์จึงเป็นอันว่าเวร น, นั้นระงับแล้วด้วยการไม่จองเวรดังนั้นพระชนกของข้าพระองค์จึงตรัสไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ย่อมระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวรภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาศีราชตรัสว่าน่าอาศัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีท่านผู้เจริญทั้งหลายทีคาวุกุมารผู้นี้ฉเฉลียวฉลาดจึงเข้าใจความหมายแห่งคำพูดที่พระชนกตรัสไว้โดยย่อ ได้โดยพิสดาลแล้วได้โปรดพระราชทานคืนกองทหารภาหนะชนบทคลังอาวุธยุธโทโธปกรณ์และคลังพืชพันธัญญาหารอันเป็นพระราชสมบัติของพระชนกและได้พระราชทานพระราชธิดาให้อภิเศกสมรสด้วยภิกษุทั้งหลายขันติและโสรจักรเช่นนี้ ได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระราชาเหล่านั้นผู้ทรงอาญาทรงถือสตราวุธการที่พวกเธอบวชในธรรมวิไนยอันเรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างดีจะพึงมีความอดทนและความสงบสงี่ยมนั้นก็จะพึงงดงามในธรรมวิไนนี้แน่แม้ครั้งที่สพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่า อย่าเลยภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแยง้งอย่าวิวาทกันเลยภิกษุอธรรมวาทีรูปนั้นก็ยังกราบทูลอีกเป็นครั้งที่สามว่าขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นธรรมสามีทรงโปรดรอไปก่อนขอพระองค์จงทรงขวนขวายน้อย ประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันนี้อยู่เถิดพวกข้าพระพุทธเจ้าจะปรากฏเพราะความบาดหมางเพราะความทะเลาะเพราะความขัดแยง้งเพราะการวิวาทนั้นเองพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าพวกโมฆบุรุษเหล่านี้ดื้อรั้นนักจะทำให้สามัคคีกันไม่ใช่ง่าย แล้วทรงลุกจากอาสนะแล้วเสด็จจากไปทีคาวุพาณวานที่หนึ่งจบ 464ครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทในกรุงโกสัมพีสเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังเสวยเสร็จแล้วทรงเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรประทับยืนท่ามกลางสงรัดพระคาถาเหล่านี้ว่า ภิกษุมีเสียงดังเป็นเสียงเดียวกันที่จะรู้สึกว่าตนเป็นผ่านนั้นไม่มีเลยสักรูปเดียวยิ่งเมื่อสงแตกกันก็ไม่ได้คานึงถึงเรื่องอื่นพวกเธอขาสติแสดงตนว่าเป็นบัณฑิตเจ้าคารมพูดได้ตามที่ปรารถนาจะยื่นปากพูดก็ไม่รู้สึกถึงการทะเละ คนเหล่าใดผูกใจเจ็บว่ามันได้ด่าเรามันได้ทําร้ายเรามันได้ชนะเรามันได้ลักของของเราเว้ของคนเหล่านั้นย่อมระงับไม่ได้เลยส่วนคนเหล่าใดไม่ผูกใจเจ็บว่ามันได้ด่าเรามันได้ทําร้ายเรามันได้ชนะเรามันได้ลักของของเรา เวรของเขาเหล่านั้นย่อมระงับได้ไม่ว่ายุคไหนไหนในโลกนี้เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวร น, นี้เป็นของเก่าคนเหล่าอื่นไม่รู้ชัดว่าพวกเรากำลังย่อยยับอยู่ณที่นี้ส่วนคนเหล่าใดในหมู่นั้นรู้ชัดความมุ่งร้ายกันย่อมระงับ เพราะการปฏิบัติของชนเหล่านั้นพวกคนที่บันกระดูกฆ่าลักทรัพย์คือโคและมา้าถึงจะช่วงชิงแว่นแคว้นกันก็ยังกลับมาคบหากันได้อีกฉะไหนพวกเธอจึงคบหากันไม่ได้เล่าถ้าบุคคลพึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุพิหารีเป็นปราช ครอบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติเ ท, ที่ยวไปกับสหายนั้นถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชดพึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแว่นแควนที่ทรงชนะแล้วประพฤติอยู่พระองค์เดียว และเหมือนช้างมาตัางคะทิ้งโคลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวประเสริฐกว่าเพราะคุนเครื่องความเป็นสหายไม่มีในคนพานบุคคล น, นั้นพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่ทำบาปเหมือนช้างมาตัางคคะมีความขวนขวายน้อยอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้น